โยมเท่าไหร่ตามรลองทะเบียนไป125้อยยี่าา 62, สิบหาผมโอ้ผ่านมาณหกสิบสองสเดืนหนึ่ง 69, ครับผมอากอบสองนแล้นเกาครับแม่ยี่เก้าโยมล่แสด้กยมลอยี่สิบหา1 2อยรี่สิบหา5ครับผมโอ้โอเมื่อคืนเด็กไปหกสิบสี่หลังน้นเนีนว่าห้าสิบกว่านอนเออโยมอยากจะสวายค่ะพาหนะมุกเกน การเดินทางอาณ า, า่านั้นก็ได้ดีแล้วรวมกับท่านนายกกับอติตพี่น้องอรวมกันทันทีผู้มาไกล้มาไกลจะได้รวบรวมกันสิ่งสำคัญก็คือปัจจัยส่วนน้มโภชนาอาหารสิ่งของรูปตกว่นเยอะแล้ว องไหนก็ว่าของเต็มหมดรถคันไหนก็ว่าของเต็มหมด <c oughs> ของเบาเบาที่สําคัญถ้าพระบอกก็ว่าพระเทพเอาเองละไม่เออเทพเอาบอกให้เข้าใจคําว่าเบานะของเบาคือบุญเป็นบุญคือของเบาๆอ่าของหนักๆมันเป็นบาปไม่ว่าจะหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ ถ้าเอาพอดีพอดีหน้าพวกเดินทางยังให้อาหารเศษเยอะโดยเฉาพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยหม้อเดียวก็พอดีแล้วทันดารุกกับลูกกับหลานเนี่ยนี่แต่จะกลัวไม่พอกลัวไม่พอโยมทานตลอดคืนเมื่อเกินอยู่พวกไหนมาไม่ท่านก็เอาทานทานเออ <c oughs> เป็นที่รองรับขอ บ, บุญ โดยเฉพาะยงยิง่งผู้เดินทางก็เน้นหนักเรื่องมีศีลมีธรรมให้มีศีลมีธรรมเพราะคนจะจงต้องการบุญกุศลเราก็ต้องมีบุญกุศลเ อ, อบุญกุศลมาจากไหนบุญกุศลมาจากศีลศีลสมาธิภาวนาถ้าเรามีศีลเราไปตรงไหนตรงไหนเราก็ภาวนาโดยเฉพาะการเดินทางไกลๆกอย่างนี้น่าอืดทะลึกคึกโกม เห็นไหมประวัติต่างๆไปทอดพระปาไปทอดกระถิ่นมีอุปติเหตุอย่างน้นอย่างนี่ปอบตีความตีกอ ง, องเสียงเป่าเสียงแต่อะไรสนันวันไหวอยู่นะนั่นเป็นมงคลอย่างให้ประกันสังรวมด้วยการระมัดระวังในรถคันนั้นมีสิบคนทําบุญสิบคนบุญสิบคนก็ปกป้องคุ้มครองบุญย่อคุ้มครองผู้ทําบุญไม่ให้ตกทุกได้ยากไม่ให้ตกไปทางที่ชั่วอยากให้เข้าใจจุดนี้ ถ้ามีเสียหายก็ไปกับใครพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่ออินลุกติดหลวงปู่ศีนั่ดังไปทุกหมดทุกแห่งนะทุกวันเนี่ยแทบเดียวแล้วเพราะฉะนั้นจึงเตือนให้พักกันระมัดระวังสังรวงกายนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าเป็นนั่งห้อยเท้าตํารถตําลานั่งเขา้ารบดีไม่ดีก็ขเข้าสมาธิไปเลยพอลถเคกอนที่ก็ขเข้าสมาธิไปเลยไม่ได้ซื่อจากบาทด่า ทำไมจะไปบุนไหวยเราไม่ใช่ไปเที่ยวเล่นสนุกไปสแสวงบุญเข้าใจไหมบุญก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจไม่ใช่บุญอยู่ที่กระต้มขนมไม่ใช่บุญอยู่ที่ปราสาทสวังบุญอยู่ที่หัวใจใจมีความฉุกใจก็เป็นบุญฉุกไหมถ้านั่งดูลงเข้าออกไปกับรถกํบาบาถ้าไปอื่นกระถือคึกคมใจมันข้นองคึกข้ น, ขนองอนเห็นไหมละ่ะ เตือนกันอยู่เมื่อเกินหนึ่งรักษาโรคใจรักษาโรคใจใจเป็นโรคมะเร็งโรคมะเร็งใจรักษาหายด้วยปันาปานุสตินั่นโรคมะเร็งหัวใจคือรักโลกสองโตนี่ยแหละถ้ามันมีความรักความโลกโรคหัวใจก็หายรักษาไม่ยาถ้าจะรักษารักษาร่างกายไม่กี่อย่าง เก็บแท้งเจ็บขาปวดหลังปวดเอวปวดงุบปวดตาปว ด, ดนอนปวดนี่หลายอย่างแต่ใจมีอย่างเดียว <c oughs> อาหารใจอย่างเดียวยารักษาใจอย่างเดียวคือลมน่ะถ้าเห็นลมโลกรักก็ไม่มีโรค ก, ก็ไม่มีง่ายไหมละ่ะทําไมเราไม่พูดไม่ทําเอาเรื่องง่ายๆคนเราเชอบจุ้งน่นแต่ใหสนใจจุดนี้ผู้เดินทางก็ดีผู้อยู่ก็ดีพระม่ได้ซื้อ นะนะเรียกว่าอาหารใจยารักษาใจคือลมหายใจเข้าออกสนะังขาดร่างกายรักษาไม่ได้หรอกพราะธรรมชาติคือเกิดแล้วว่าอะไรเมื่อกี้นี่เกิดแล้วแก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายพัดภาคจา ก, ากสิ่งที่รักที่ชอบใจที่ย่าตายยายไปก่อนแล้วเอาอะไรไปด้วยร่ํารวยไปด้วยได้ไหมสวยงามมาไปด้วยได้ไหม เอาไปไม่ได้ตะโกอะไรจะได้ไปสิ่หนึ่งบาปกบุญถ้าใจมีบุญก็ไปสูงถ้าใจมีบาปก็ไปทางต่ำไปตกนรกบาปคือนรกนรกคือยังไงนรกคือความร้อนของใจใจร้อนใจวุ่นใจวายใจยุ่งใจชาน่นง่ายไหมละ่ะถ้าเรามีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็มีตะล่ำรวยก็ดีสวยงามก็ดี ด, ดีทำไมตึงไปเกิดีแก่อีกเจ็บอีก ดีทำไมออกไปด้วยไม่ได้นะวามดีกดที่ลมนั่นเอาไปด้วยได้ลมพาไปนั่นเบาลมถ้าของหนักไปไม่ได้ตรเมื่อคืนก็ย่ำแล้วจงหาความมีออกจากใจไปอยู่ที่ไห น, นสบายมอดถ้าไม่มีความมีอยู่ในใจนะไม่มียกต่พอพอปั้นเพราะเจ้าหนุนที่นี่เข้าใจอจริงวหลวงพ่อจึงยกย่อพอปั้นไม่เป็นนลย รู้อยู่แจกใจทำดีทำชั่วรู้อยู่แจกใจท่านเลายกท่านต้มีเจอบยบดอกพ่ปั้นอาเปีไหะไก็ได้แต่ลุงตาจะทำอะไรเรียบง่ายตา ง, ง่ายก็ ง, ง่ายไปหมดนะเอจากเราเนะนี่ะเพราะฉะนั้นจงเข้าใจพูดเจริญทางพอดีให้ระมัดระวังไม่ใช่เราไปหาเล่นไปช่วยพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์รักษาวัฒนธรรม พระป่าชาวพุทธน่ะเขาวัดควรทำอะไรชาวพุทธไปวัดทาบุญไปว่าทําบุญก็ทั้งรวมใจทั้งรวมกายใน้กราบได้ไหว้ได้น่กกายคือกราบไหว้ไหวาใจไม่น่าจะกาบเลยนะทั้งรวมใจต่างคนต่างเงียบเดี๋ยพูดอะไรพูดมาไม่สิ้นสุดบอกพระเศ้าหาพ่ะเราพรไใดพระสาีสานเปิดปุ่มไหมก็มองอย่างไรเงียบได้เป็นดีที่สุด เห็นไหมปีวันเกิดปีที่แล้วยังบอกเด็กม่ธยมยนมาบวชบอกว่าใครจะกดได้ห้าวันไม่พูดมีเด็กสี่ห้าคนเนียไม่พูดหลวงตาให้รางวัลเพราะมาันมาถือศีนต่ออายุให้หลวงป้าหลวงตาบอกว่าใครไม่พูดจะได้รางวัลคนละหนึ่งพันเดี๋ยวดีได้ได้ร้อยกว่าคนนะมาถือศีลแปด ตลอดเลี้ยนจบนั่นก็ามาถือสินแวดเพื่อรักษาใจเพื่อรักษาจิตใจให้หายจากกลักโกรคให้มีความสุขตั้งใจเขาก็คิดว่าทดลองดูจะมีหรือเปล่าคนตัวไทยก็มาเพิ่มอยู่เรื่อยถ้าเขาเบื่อนายเขาคงจะเออผมอยู่ไม่ได้ผมขอลาผมไม่เอาแล้วพราไม่ฉันผมมีเงินอยู่หรอกเขาจะว่าไปแล้วมิตรคนติดใจลูกหลานก็าติดใจ สบายดีลูก ป, ปูสบายดีโอ้อยความดุกมาอะไรจะถึงวันทะานอนเห็นไหมลก็ความดุดดื่มเขานั่นแหะจะถูกคำโบราณว่าหัวําไปก่อนหัวดอนน้าหลังหัวดํานั่งข้างหน้าหัวเขาขาอยู่ข้างหลังเต่อใจไหมหัวดอนอยู่ข้างหลังบอกมาถือสิงอยข้างหน้าไม่เอาไม่เอาแย่งกันออกทางหลังไม่เข้าท่า พยายามตั้งใจด้วยหน้าทุนกุ้สนุกสนจะจมลูกหลานจะซีซีน้องในเสียจะหลักมารวมกันแสดงอกสามอกีกันอันดับสวอไปั